ตอนอบรมคอร์สนวมินครั้งที่สองระหว่างวันที่ 20-22 ถึงมกราคม2560้ากตอนที่ห้าก็เป็นชั่วโมงถามตอบเนาะก็มีคำถามมาบ้างก่อนจะถึงตรงนั้นเมื่อกี้พระครูดูเข้ามามาปุ๊บเขเห็นทุกท่านชมจี้กงนะพระลาหนจี้กงเนี่ยเจริญมาก อาจารย์อาจารเลนสติอจะริลนสติมีการกําหนดนะครับแต่จี้กรในจเจริญมาเดินก็คือเดิ น, นประเด็นมันอยู่แค่นั้ น, นให้เราเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่นะครับแต่ที่นี้การปฏิบัติทำในสังคมทุกวันนี้เราคุ้นเคยว่าต้องไปเจริญสมาธิจเจริญสติแบบนั้นนะครับทำมากี่ปีก็ช่างนะมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิด ไม่สำมรวมระวังหรือไม่ตั ก, กําห น, นดีนกาล้มได้แต่ถ้าเราจเจริญมกกักคือจิตมันมีหน้าที่เดิมมันก็เดินสถานเดียวเนี่ยอันนี้เรียกว่ามากัมากมัชคือทางเดินเพื่อมุ่งสู่ความหุ่พ้นแล้วเมื่อเช้านี้เห็นบกชัยอะไร king speed ทำ ไ, ไม king speed นะองค์ชายทั้งอังกฤษเนะี่ย แปลกมากเกือบเป็นร้อยปีแล้วนี่พวกครูเห็นโปรแกรมนี้ว่าแคบแค่แไล์ออกมาพวกครูหน่อยเห็นไหมเขารักษาโดยๆๆๆๆพิลลง้งกิกิงกิแบปา้อมเห็นไหมมาเช็คมันมนที่เราทำเลย <c oughs> คือโรคหลายโรคเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกายภาพมันเกิดจากอุปทานมันเกิดจากอุปทาน ทีนี้วิธีทำลายอุปทานเนี่ยเราต้องทำอะไรที่มันตรงกันข้าม <c oughs> เรากลัวผีเราไปนอนตาชาให้มันกลัวจะมันหายกลัวแล้วสุดท้ายมันไม่เป็นอะไรนะมันก็จะล้างโปรแกรมมันได้นะเราเป็นผู้ดีเห็นไมยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่มีหัวขวนยิ่งเครียดเลยเห็นไม ยิ่งพูดไม่ค่อยชัดไปพูดแล้วนี่ความกลัวเนี่ยทำให้พูดไม่ออกเพราะกูเห็นว่าเฮ้ยมันแปลกนะที่ร้อยปีกว่าเาก็รักษาแบบนี้แต่เขาเรักษาโดยหมอสั่งให้ทำมันก็ได้ประโยชน์ระดับเลยนะแต่ถ้าจิตเราทำเองแล้วเนี่ยจิตเขารู้ว่าเวลานี้คนจะทำท่าไหนบางคนเบียงเบียงแล้วเคยกริ่งมาแล้วใช่ไหยเวลากริ่งมันทำลายอัปตาตัว ต, ตน หมดรูปเลยทุก น, นี้เราเ ร, รกาก็อัตรูปทรงบุคลิ ก, กภาพไปพอกริ่งปุ๊หมดรูปเลยมันมันทำลายปุปทานได้มากเห็นไหเอาคนที่มีศักดินามีศักด์กศรีมีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยหมดยุ่เช็คเช็คแล้วก็มาร้องอะไรเนี่ยเห็นไหมเราทำหมดเลยนะก็ปูก็นเลยว่าแก้แเอามาฉายกันดูจะได้เข้าใจนะเออ อาการคล้ายบอลเด้งไปไ ป, ไป ม, ามาในภายในร่างกายคืออะไรครับนั่นหละคือพลังหมหนุนวะนบางทีมันมันเป็นอิสระ ม, มันไม่ได้ไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งมันไปได้ทุกแห่งมันนั้นคือใครนะมันคนนั้นนะ่ะทำไมทำให้เกิดพลังหมุนวนในตัวเรา เราเริ่มเห็นจิตแล้วนะจิตปัจปจุบันเริ่มสัมผัสบางอย่างที่เราไม่เคยสัมผัส น, นะไม่มีใครซ่อนอยู่ในตัวเราแนละ้วนอกจากจิตเดิมเราเท่านั้นเองนะลมปานเริ่มทํงางานแล้วแต่ถ้าเราฝึกลมปานเจยๆมันเราตั้งใจฝึกขับเคลื่อนมันมันก็มีลมปานนะนะอันนั้นมันเกิดจากเราใช้พลังขับเคลื่อนมันนะมันยังไม่อิสระมันก็มีพลังทําให้ภูมิคุ้มกันเราเกิดระดับ แต่มันไม่ได้เกิดจากปัญญาของจิตนะลมปราณนั้นเกิดจากสมองความคิดแล้วก็จิตปัจจุบันแต่ถ้าเราให้จิตเดิมเราเป็นคนทำแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีท่าตายตัวเขาจะรู้ว่าเวลานี้ต้องหมุนแบบไหนหมุนซ้ายบางทีเราหมุนอะคนหมุนอะหมุนหมุนมุนไปทางซ้ายดีๆมันมันจุดเกือบเลยมันหมุนไปทางขวาเอ๊ะวะ มันมั น, ม, นมันทำเองมันสมมติเราเราเราแกะเชือกเนี่ยบางทีต้องดึงมาทางซ้ายบางทีก็ดึงไปทางขวาจิตมันรู้ว่าต้องทําอย่างไรนะจิตเขามีปัญญาแต่ตอนนี้เนี่ยเขาถูกโซ่ตัวนก็คือใจดึงไว่ใช่้หมเราก็ใช้อุบายด้ยินเสียงที่หูนะ อ, อหัวใจเต้นมันรู้ที่ใจปุ๊บก่อนจะเกิดพัฒนาเราวิ่งหอีกมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะ มันดึงกันระหว่างสองส่วนเนี่ยก็เกิดแรงเวียงขึ้นเหมือนเราสตาร์ทรถเครื่องยนต์คูโบต้าเห็นไหมมันก็ติดเลยเห็นมเมื่อกี้นี่พิยาก็เอาเอาอะไรนะแก้วแก้วแก้วพลาสติกอันนี้เนี่ยเอาน้ำใสๆสใสแล้วก็ไปเอาฟองฟองฟองสบู่แล้วก็เอาเอาอะไรเมล็ดงา ก็ขูหมุนมันเหมือนพัยุทธ์ทอร์นโดเลยใช่มันรวมศูนย์เหมือนเราหมุนลูกข่างเราต้องใช้สองนิ้วหมุนปึ๊บมันก็เวี่ยงพอเบี่ยงไปเบี่ยงมันจะหาจุดศูนย์กลางมันเองถ้ามันถึงจุดกลางปุ๊บเนี่มันเบี่ยงเร็วมากจนมองไม่เห็นว่ามันเบี่ยงนะนะตอนนั้นผมเบี่ยงมันเป็นเอกคตาลงถ้านในจิตเราเรียกว่าเอกคตาลงเป็นอารมณ์อุเบกขาหนึ่งเดียวอุเบกขาไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้หมุนแต่มันหมุนเร็วมาก ตอนนั้นเป็นอย่างเดียวแหะมันมีพลังนะมันก็อิสระจากแรงดึงดู ด, ด, ด, ด, ด, ดของความคิดแล้วก็อารมณ์อยากที่ใจเพราะว่าหัวใจเต้นทีนึงเนี่ยนะจิตมันคุ้นเคยกับใจมันถูกดึงเข้าไปอยู่ในใจตลอดเวลานะทีนี้เราก็อาศัยเสียงได้ยินเสียงปุ๊บเรากส็สนใจเสียงวิ่งมาอีกหัวใจเต้นดึงกลับไปคืนอีกเขากลัวจิตจะทิ้งเขามากมันเลยเกิดแรงดึงสองสูวนอันนี้คือกระบวนการ นะที่พ่อครูบอกว่าเอายาอมมาอมเนี่ยแล้วนะนั่งหลับตานะมาลิมรถที่ลิ้นมารู้ที่ใจเมื่อเกิดแรงดึงเหมือนกันแต่มันเร่งไม่ได้มันเร่งไม่ได้นะนเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันจะมารู้อารมณ์ที่ใจนี่คือขบวนการทำงานของอายตนาเราแล้วก็ลิงกับวิญญาณทั้งผู่ มันจะมารู้ที่ใจตลอดเนี่ยแล้วเวลานอนนอนหลับสิ่งที่มันหลับไม่ได้คืออะไรที่มันหยุดไม่ได้คือหัวใจรงเซนเรามีพลังงานตามธรรมชาติเราอยู่แล้วคือหัวใจเต้นเห็นไหมนะทีนี้เราก็ใช้อุบายว่าให้มีพลังอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมาดึงไปอย่างหูเนี่ยตรงเสียงมกระทบหูปุ๊บมันดังแผลบแผทางศาสนาเรียกว่าผัดสั เมือเราเฟี้ยงฟุตบอลเนี่ยเข้าไปในข้างฝาไอ้เวสบอลไอ้ทุกเทนนิสเนี่ยเราเฟี้ยงแรงปุ๊บมันก็อิมแพ็คมาแรง น, นี่คือพลังงานเห็น ไ, ไหมมันก็ดึงไอ้หูหัมันแพ็ปปุ๊บมันก็ดึงมาหวัวใจเต้นตุ๊ปมันก็ดึงไปนะมันก็ดึงไปดึงมาเกิดพลังแรงเบี่ยงขึ้นนะลมบานเกิดขึ้น ถ้าได้ขั้นตอนนี้แล้วเราพอใจแค่นั้นแล้วก็เอาลมปานนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติเราก็ได้เจริญอนุสติคือสติเล็กๆแต่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นมันก็เกิดความสงบชั่วคู่ลมปานเกิดภูมิคุ้มกันเกิดระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นโรครุนแรงแล้วเนี่ยมันทุเราแต่มันไม่หายเพราะว่ามันเป็นนี่งกรรมเราต้องเข้าไปในจิตในจิตไปจ่ายนี่งกรรมทางจิต เราต้องเร่งสติหมุนกลองรอของธรรมมาจากให้มันเร็วขึ้นเมื่อมันเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยพลังแรงเบี่ยงมันเร็วขึ้นวินาทีนั้นถ้ามันมากกว่าความคิดและอารมณ์อยากที่ใจมันจะอิสระ ม, มันจะเข้าไปสู่จิตในจิตนะคือเปิดประตูเข้าไปได้บางคนต้องไประลึบชาติไปอะไรๆเนี่ยเพื่อล้างกระแสกรรมหรือไปเรียนรู้กับบทเรียนของเราในอดีตทั้งกรรมดีกรรมชั่วกล่องปัญญาเราอยู่ข้างในนั้น ทุกคนเข้าไปได้นะเด็กๆที่ศูนย์พาลานคอยอายุห้าขวบก็เข้าไปได้นะครับก็ไออาการที่มันเหมือนลูกบอลที่มันเด้งไปเด้งมานั่นแหะคือมันเป็นพลังจิตที่สร้างหลงปราณ น, นะถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยเราจะมีหมอประจําตัวเรานะถ้าพักคุณนั่งรถหรือขับรถนานๆ น, น, นี่นะจิตเราไม่มีเหนื่อยหรอกแต่ขันห้าเนี่ยมันก็ต้องรับตรงนั้นนะถ้าพักคุณนั่งหลับตา ไม่ต้องทำอะไรนะมันเหมือนมีตัวสันสติเนี่ยตดมาละลายเลยเรียกว่าตัวสันสติเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันปรับสมดุลปุ๊บอาการตึงเีใ น, ใ น, ในมันก็หายไปนะมันจะมีมิภูมิกันโตโดยธรรมชาตินะอันนี้ขอให้ต่อเนื่องนะครับเราสตาร์ทรถยนต์เครื่องติดแล้วเนี่ยอย่าไปจอดไว้ น, น, <S <S <ๆ>นานเดี๋ยวต้องมาเข็นกันอีกนะทำเวลาเล็กวละน้อยไม่ต้องเยอ นะทำไปเรื่อยๆทาไปทุกวันเรื่อยๆดีกว่าปีหนึ่งลา ง, งานไปส5บวันไปเข้าคอร์สนะไปกดมันสงบชั่วคู่กลับมาก็วีนอีกนะทำไปต่อเนื่องวันลเล็กวันน้อยดีกว่านะครับเมื่อเข้าจิตในจิตเมื่อหมดเวลาแล้วตั้นลมหายใจปรากฏว่ามีอาการหมุนอีกและเดวมากเหมือนใบพัดรอบศีรษะจิตมันไม่ยอมหยุด จิกเขารอเวลานี้มานาแล้วนะเมื่อเขาอิสระแล้วเขาจะสาสางทุกอย่างนะเขาต้องการปลดปล่อยตัวเองนะทีนี้เรามีเวลาจำกัดเราต้องฝึกหยุดด้วยที่พ่อครูว่ามาจับลมหายใจไว้แต่ถ้าเราปล่อยลมหายใจมาเร็วๆนะเขาจะเอาลมหายใจและเป็นฐานที่ตั้งในการหมุนของเขาเราต้องฝืนก่อนกดมันไว้นะกดมันไว้ให้พลังที่มันหมุนกับตรง น, นั้นมันอ่อนอ นะพอเรานี่ยปุ๊บเราก็อยู่ได้นะครับอันนี้คือจิตมันไม่ยอมอยู่ครับเขาต้องการปลดปล่อยตัวเองนะไม่มีอันตรายอะไ ร, รทำไมพระครูต้องเรียกพ่อครูนะไม่ใช่พระเนอะ <c oughs> จึงคิดโปรแกรมออกมาเป็นรูปแบบนี้เพื่อให้คนอื่นฝึก ท, ทั้งทั้งที่พระครูบรรลุหรือเข้าถึงจิต ด, ด้วยวิธีอื่น หรือเป็นพิธีที่ให้คนอื่นเข้าถึงได้เร็วที่สุดแล้วใช้เวลาคิดรูปแบบโปรแกรมนี้นานไหมคะถึงมาเป็นแบบทุกวันนี้ <c oughs> วันที่พ่อคูร ะ, ะเบิดสามชั่วโมงนั้นนะ่ะมันเกิดอาการนี้กับพ่อคูนะพ่อคูได้ยินเสียงไหเสียงแอมมันดัง ม, มันก็สนใจเสียงมันก็ดึงระหว่างสองส่วนนะ ว่ากูเหมือนคนเข้าส่งเลยนะมันเต้นพับพับพับพมันหมุนขึ้นอย่างงี้หมุนขึ้นอย่างงี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เราเราไม่ได้ดูเวลาเมื่อมันกระแทกกระแทกให้เราผ่อนคลายเสร็จปุ๊บมันก็พลิกกลับ ม, มาทานันทีมันก็หมุนอย่างงี้หมุนอย่างงี้นะเหมือนเครื่องเสื้ผ้าแล้วตอนนั้นเนี่ยความร้อนในตัวเราเพราะกูธาดไฟนะเพราะกูเป็นโทสาก็โทรสานจันลิมนะมันขึ้นมาถอยกลับมาแล้วมันก็ฟุ๊บออกไป ฟุบแต่ละอย่างเหมือนไฟร้อนมากที่มันออกปุ๊บออกแต่ละครั้งปุ๊บเรารู้สึกเย็นเหมือนตัวลอยได้นะออกมาหลายครั้งหลายครั้งเพราะกูไม่ได้ลืมตาว่ามันลอยได้หรือเปล่านะมันก็คกระบวนการเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสร้างรูปแบบใหม่นะไม่ใช่นะครับพอมันออกมาปุ๊บพอมันเปาปุ๊บตอนนี้มันเหมือนมิน รถฉีดหน้ามาฉีดตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาขึ้นมานะขึ้นมาจนถึงใบหน้านะบนเส้นผมเนี่ยมันเหมือนเครื่องเจาะเหมือนเอาเข็มเจาะทุกเส้นผมเลยนะตอนนั้นลึกๆเพราะกูกกมีความรู้สึกกลัวเพราะมันแรงมารู้ตัวตลอดนะัวไม่ได้กลัวตายนะ มันสำนึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวทำอย่างไรนะลูกสา ว, นวควนโตขวบมันก็หมุนหัววกครูเนี่ยมาสานหมุนเลยความรู้สึกคือไม่มีกระดูกเหมือนหมุนรอบแต่จริงๆแล้วมันน่าจะแค่นี้แหละนะแต่รู้สึกว่ามันหมุนรอบแล้วเราหยุดไม่ได้มันมามันเร็วมากทำให้พวกครู ล, ลืมมาลมกวนะ่ะทีนี้ความเบื่อที่เราฝังลากลึกมา นานเจ็แปดปีสุดท้ายเนี่ยมันลอยขึ้นมาความเบื่อนี่ทำลายความกลัวได้เฮ้ยอะไรจะเกิดมันเกิดอยู่ไปทำไมเพราะพวกเขายอมมันระเบิดตูมหงายลงไปเลยนะคำว่าสว่างสงบสะอาดเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะ้วกอนหลับตายอยู่ตรง น, นั้นแหละน่าจะประมาณตีสองครึ่งนะเพราะ ลืมตาถึงไปดูนาฬิกาตีสามพอดีเลยเนี่ยที่บอกว่าที่มาของสามชั่วโมงมัรรู้ทรรทีนี้พวกูก็หลับตาใหม่เพราะมันงงไงหลับตาใหม่ก็สว่างลืมตาก็สว่างไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างคงนอกคำในในเวลาตีสามแอร์เย็นทั้งหมดเลยมีเราคนเดียวนะแต่ว่าเหงื่อนี่เต็มตัวไปหมดลุกขึ้นมาเดินไปตู้เย็นไปดื่มน้าเหมือนห่อได้เหมือนคนไม่มีน้ำเหล เปิดน้ำมาดื่มเสร็จปุ๊บความเคยชินกิเลสเราสูบหลีมายี่สิบกว่าปีนะวันหนึ่งสามสี่สองวินาทีที่จะนั่งก็ไม่มีสินนะโกหกลูกค้ามาว่าร้านอาหารเราเนี่ยไม่ใส่พงชูรสไม่มีเอฟเีถ้าเป็นตัวในครัวไม่มีจริงๆไม่แต่เม็ดหนึ่งไม่มีแต่มันผสมในน้าจิ้มมาเรียบร้อยเนี่ยนั่นเราเราคือพูกค้า ก็เอาบุรี่ขึ้นมาสูบสูบไม่ได้ถูกไม่ได้ทไม่ต้องคิดเลยนะเพราะพยายามจะเริ่มอยู่แล้วสี่ครั้งเริมไม่สาเร็จนะหยุดหมดตีกองทุกอาทิตย์ยิงนกตกตาหยุดหมดไม่ใช่มันหยุดเพราะมันกลัวจะผิดสิ่งมันไม่มีความรู้สึกอยากจะทำอย่างนั้นเลยก็พวกกูก็เดินไป เสร็จแล้วสูบด้วยก็เดินไปก่อนจะนั่งก็เป็นกราบเรามีหิ่งพ้าอยู่ข้างบนนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรื่องอดเรื่องพ้นมีจริงพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าถ้ามีจริงนะถูกบังคับให้นับถือาศาสนามาสี่สปีทำไมไม่ทุกอย่างนะก็เป็นกราบพอพระพุทธพระธรรมปึ๊บมันเหมือนทุกวันนี้ถึงรู้ว่ามันเรียกว่าปิติสัมโพชงนะมันคนลุกสู้หมดแล้วโอ้โหมีความสุขมาก วินาทีนั้นมีความรู้สึกว่าเริ่มนับถือพระพุทธเจ้าทันทีเพราะอะไรคำว่านับถือมันยากไปบูชาแต่วาชีบินนี่คือที่มาแล้วก็หยุดเลยนะสามคืนสี่วันไม่ได้นอนนะมันลืมตาสว่างหลับตาสมมันก็ไม่มีอาการง่วงไม่ต้องกินเขานอนหลับะไรแล้วก็นั่งอยงู่นั่นนั่นแหละวันที่สี่ตื่นเช้าขึ้นมากำลังจะเดินไปห้องน้ำมันเกิดหมุนอีก นะกลัวมันล้มก็เลยเป็นนัําที่พื้นมันระเบิดโต้ก อ, อีกทีนึงทีนี้แสงนั้นก็หายไปกลับมาเป็นปกติก็รีบปามน้านะออกท่าเพราะเราทิ้งงานมาหลายวันสามวันสี่วันไปเคียงงานที่บริษัทให้เขาทําหมดร้านอาหารที่ต้องดูแลให้พู้จัดการดูแลเพราะครูอยู่บ้านเฉยๆเสพอารมณ์สูงนั้นหนึ่งปีไม่อกไปไหนก็สูงครับอันนี้คือที่มาไม่ใช่ว่า พราะคูคิดเราเองเจ้าแบบนี้แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ภาษาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถอนมาอยู่ในป่านั้นยี่สปีไม่เคลื่อนไหวไม่กล้า พ, พูดเรื่องนี้กับใครนะพูดไปเขาก็ว่าเราบ้านะนั่นแหละคือที่มาของมันทีนี้ตอนศูนย์นะ่ะ20ปีพ่อครูก็สอนนั่งเวียงอย่างเดียวเวียนอย่างเดียวนะใครมาก็ส่งเข้าไปในจิตหมดส่งเขาไปในจิตหมดนะ บางคนก็เนื่องจากว่าไม่มีพื้นฐานเลยก็ปิดติอารมณ์ข้างในนะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะแก้วทิพย์นี่ยเป็นกวนยิ้มอยู่ตั้งเจ็ปปีแลบอกเวียงทิ้งเวียนทิ้งเรื่องอะไรจะเวียงพิเศษมากจี้คนเดียวนี่กิ้งเลยนะนะนักเกี้ยวนี่เป็นจี้กงอยู่แปดปีบอกเวียงทิ้ง <c oughs> เวียงทิ้งเรื่องอะไรจะเวียงมันพิเศษนะครันะครูบอกว่าก็เราพิเศษนะเราถึงได้มาเกิดอีกไง เรามาปฏิบ Freiheit, ula, hhhh, ัติเพื่อไม่ต้องเป็นอะไรแต่พูดยังไงก็ไม่ฟังก็เลยเซตอัพโปรแกรมนี้เนี่ยเช็คแอนด์ด์เพราะพวกกูเเช็คมาแล้วไงในเวลานะคือดึงให้จิตมันมาเกาะอยู่ตรงกายภาพนะมันดึงออกมาจากโปรแกรมได้หมดแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ได้ลืม ชีวิตเราเนี่ยชอบสุดโตงอยู่ข้างนอกก็ติดกับความคิดๆๆๆจิจิพอเข้าไปในจิตเนี่ยเขาไปตีอารองณข้างในเห็นไพระเจ้าบอกว่าบังพชิตไม่เสีส่วนสุดโตงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในระหว่างถูกกับผิดระหว่างดีกับชั่วพอโปรแกรมนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอ่อกูเห็นแล้วว่าเจอละมันเป็นทางสายกลางจริงๆนะทให้เราเนี่ย อยู่ข้างนอกก็ไม่ติดอยู่ข้างในก็ไม่ติดนะก็เจริญมาหาสติประฐานไปเรื่อยๆบางทีวิธีนี้มันมีพลังแรงมากมันทะลุ ป, ป้องและลึกชาติเนี่ยไปเจอตอนช่วงที่มันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยมันหูทิพตาทิพมันพิเศษมากใครๆก็ติดตฉะ น, นั้นตั้งแกนที่ศูนย์นะขโมยพูดกันเยียมเยียมว่าอย่าให้ครูได้ยินนะอย่าไปเบี่ยทิ้งนะหามันเกิตาย บางเอิญมันเบาๆเดี๋มันพบครูบางเอิญได้ยินเนาะตอนนี้ออกมาได้หมดแล้วนั่นแหละอย่าใจร้อนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราเข้าไปในจิตเราไปในอดีตหรือเราหรือเราไปนานาเพราะกระช่างเพื่อปัจจุบันเพื่อให้จิตปัจจุบันมีพลังปัญญาเพื่อจะปล่อยวางไม่ใช่ไปหลงอดีตไม่ใช่หลงมานาคตนะไม่ใช่ถามคนทุ ก็พวกคุจะสอนวิชาสามชั่วโมงมารู้ทำดีไหมก็ง่าดีไงแตไม่ต้องสีเวลาขนาดนี้นะซึ่งมันทะลุป้องแล้วมันถึงรว่วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกๆคนต้องทำแบบนี้มันเป็นนานาจิตตังแต่ละคนบารมีสร้างมาไม่เท่ากันแบกกรรมมาก็ไม่เท่ากันใช่ไหพูเจ้าถึงสอนทางสายกลางที่ทุกคนทำได้ส่วนส่วนจะถึงช้าถึงเร็วเนี่ย แ, แล้วแต่กรณีไม่ใช่ถึงเร็วก็ดีนะถ้าพูดถึงเอาช้าเร็วว่าคนไหนเร็วคนนั้นเก่งคนนั้นมีบา ร, รมีมากกว่าไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นในะพเท้เจ้านี่ยังแพ้เนรบดิตเลยเนรบดิตเจ็ดกวบบวชแค่แวันเป็นอาลหันแล้พระพุทธองค์ชาติสุดท้ายยังต้องใช้เวลาหกพันานะมันไม่เกี่ยวกับว่าเร็วหรือช้านะบางทีพระองค์นี่ต้องเป็นเจ้าแห่งพุทธ เป็นศาสดาพิจารณ์ต้องสาสารคดีความให้หมดในหะ้มันแตกฉานทุกเรื่องบางคนสิบห้านาทีไปที่ศูนย์นี่ดวงตาเห็นธรรมครับเห็นไหมบางคนบรรลุธรรมก็เป็นปัญเจกก็คล้ายๆว่าเป็นคนไม่รู้อะไรเลยแต่ว่ามันพ้นทุกข์ทั้นั้นเองเรื่องนี้ไม่มีสูตรสมเร็จว่าปฏิบัติกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะบรรลุธรรมไม่มีแล้วก็ไม่ต้องการไห้ไม่ต้องมาดูเร็วๆหรอกเดี๋ยวไม่มีของเล่นเนะาะทําไปเรื่อยๆ นะแต่ก็บอกว่าถ้ามุ่งมั่นเห็นจิตแล้วเนี่ยนะเจ็ดนาทีนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่เกินเจ็ดชาติถ้าได้โสดาบันขึ้นไปนะอย่าไปรอเลยเอาชาตินี้นะสมัยพุทธกาลนั่นพระเจ้าสุทโธทนาเนี่ยพอฟังทำครั้งหนึ่งได้โสดาบัน วันที่จะสิ้นพระชนนะผูะเ้เจ้าไปโปรดดึงมันด้อลัลลาฮ์ันเลยไม่ใช่ว่าต้องาทีละสเต็ปสเต็ปแบบนี้น ะ, นะอย่าอย่าพลาดโอกาสนะชีวิตนี้ได้มีมามาเจอแล้ว ก, ก, ก็ดำเนินต่อไปขออนุ ญ, ญาตรบกวนสอบถามเรื่องส่วนตัวต้องขออภัยพวกกูหากเห็นว่าเป็นการลบลู่ก็ไม่ตอบได้นะคะถามว่าทำไมพวกูจึงไว้หนวดยาว หรือเป็นที่จริตของแต่ละคนหรือเป็นเพียงกายยากฆ่าเพราะคูไม่ได้ไว้แต่พระคูยังไม่เอาออกเฉยๆโอเคไหมไม่ได้ติดแฟชัน่นติดอะไรเนาะมันเป็นแค่สมมุตินะมีช่วงหนึ่งพระคูไม่ตัดผมเลยยังกระชีพีนะคืออยู่ในสภาพแบบไหนก็ได้มันไม่มีผลสำหรั บ, บ, บเราสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะก็อย่าไปยุ่งกันหนวดเลยนะก็ปล่อยไปอย่างนี้นะ คนป่วยเป็นโรคบ้านหมุนเวียนหัวและเป็นความดันโลหิตสูงจะฝึกเอสนดี D ได้ไหมคะพอดีอยากให้แม่ลองมาฝึกการอันดับแรกคือตำรวจไม่จับแต่ยังไม่ผิดกฎหมายนะปฏิบัติได้คุณพ่อคุณหมอเป่านะไอ้คุณแม่คุณหมอเป่าเนี่ยก็เป็นโรคหมุนนะหายอกนามบกนะมันหมุนเราหมุนเร็วกว่ามันอีกล้านอุปทานนะครับ คือคือหลายๆโรคมันก็นเกี่ยวกับสุขกายภาพนะมันเกี่ยวกับอุปทานนะมีคนหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยจุฬาปีนั้นนะ่นะพ่อแม่พ่อก็เป็นหมอนะเคยมาฝึกพ่อคูแม่ก็เป็นโลกกระพ่อเป็นพยาบาลปฏิบัติแล้วหายเข้ามาเอาลูกชายเข้ามาฝากพ่อครูเจ็ดวันแล้วก็กลับบ้านวันที่เจ็ดเขาก็มารับวันนั้นอยู่ในศาลาเนี่ยนะ เขาเป็นโรคหอบืนตั้งแต่เด็กๆพ่อเนี่ยเป็นหมอเด็กเลยนะต้องอาศัยฉีดพ่นยามายี่สิบกว่าปีวินาทีนะั้นมันช่วด้วยช่วยเนละมันเป็นหอบหืนในกรรมฐานไงพ่อเขาก็วิ่งเอาอยาไปพ่นในกรรมฐานนะแม่เขาก็เดินห้วนเลยนะทีนี้เด็กๆก็วิ่งตามพ่อครูเนี่ย พ่อคูถามว่าเออพระแขอยู่นั่นไมยอยู่อยู่บอกพระแขบอกบอกบอกให้เขาตายเลยนะตายเลยตายเลยนะเดี๋ยวพ่อคูคิดได้ว่าเดี๋ยวไอคนปฏิบัติไม่ตายพ่อแม่ตายก่อนก็เลยเดินเข้าไปเนี่ยไปคุณหมอไปไปไปไปไปประมาณเจ็วันเขาอยู่กับพ่อคูเขาสัทธาบอกเกมตายเลยลูกตายเลยลูกเขาหยอดตายเขาก็หนอนนิ่งแม่เขาตัวสั่นเลย ตัวเองหายกับโรกกับพอ่อจากที่นี่นี่ยตอนนั้นหาคนรับผิดละเพราะครูบัญชาเป็นใครนะเพิ่งรู้จักไม่นานนี้เอาอนาคตลูกเนี่ยมาอันเนี้ยกลัวมากจนตัวสัน่นมาเล่าให้ครูฟังเองเดี๋ยวน้องเก่งก็ลูกขึ้นมาก็กเดินมากล่าวครูแม่ก็ว่าเกม่มันยังให้กจะนั่งอย่างไหมกูแม่สบายสบายจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลาสิบกว่าปีเนี่ยอาการหอบหืดไม่มีเกิดอีกเลย มันเป็นโรคเวกกีนโรคกำนะมันทำให้เกิดอุปทานว่ามันเป็นนะเหมือนบอกเรากลัวผีเจอผีเราบอกว่าผีปุเราก็เดินไม่ออกนะมันไม่เกี่ยวกับกายภาพนะหมอวิทยาศาสตร์หลายคนบ่วยเอาเวลาไปศึกษาเรื่องโลกอุปทานหน่อยหนึ่งนะเราหน้าเลยไม่ได้บางทีเป็นอุปทานก็เอาไปรักษาแบบฉีดยาไปผ่าตัดอะไรเนี่ยนะ มันก็ได้ระงับชั่วคาแต่มันไม่มีหายไม่มียาวิเศษที่ไหนรักษาโรคเวรโรคกลางนะถ้าเราศรัทธาในจิตเราเนี่ยจ่ายหนี้กรรมทางจิตและบังเอิญแนวที่เราทําเนี่ยมันแสดงออกทางกายภาพด้วยมันได้รับบิบาับทางกายภาพด้วยมันก็ได้กายภาพบำบัดเลือดลงมันก็วิ่งเห็นไหมภูมิคุมกันมันก็เกิดและส่วนหนึ่งก็จ่ายหนี้กรรมทางจิตนะ ก็พวกูไม่เน้นเรื่องนี้นะไม่ได้เน้นว่าปฏิบัติเพื่อรักษาโรคไอรักษาโรคมันเป็นแค่ผลพลอยได้โรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าโรคอื่นๆตายแล้วก็ไม่จบคือโรคทุกใช่ไหมบางทีเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นเศษ็ีมีตำแหน่งใหญ่โตบางกีก็ฆ่าตัวตายเห็นไม ไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของกรรม <c oughs> สตีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายจักันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้เวลาเดียวกันที่เดียวกันแต่คนละวันสตีท่านหนึ่งขับรถไปก็ยางระเบิดชายจักันห้าคนขับรถมาคนละกลุ่มนะไม่มาช่วยนะมาฆ่าข่มคืน อุบัติเหตุเนี่ยทั้งสองอย่างนี้ทําไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายแล้วเข้าใจว่าบังเอิญมันคนนี้มาช่วยบังเอิญเขามาฆ่าอุบัติเหตุไม่ได้แปลว่าบังเอิญไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญในโลกนี้อุบัติเหตุมันแปลว่าอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิด ทำไมวันนี้เรามาเจอกันที่นี่บังเอิญไหมไม่ไม่มีบังเอิญนะกรรมมันมีสามอย่างนะการกระทําเราทําดีดีทําชั่วชั่วเราทาสีขาวเป็นสีขาวจะเป็นสีดําไม่ได้นี่คือกฎของแห่งกรรมแล้วมันก็มีเงื่องงนไขเวลาด้วยถ้าเวลายังไม่ถึง กรรมดีกรรมช่วมันไม่ส่งผลนะกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยกรรมบังอย่างเกิดขึ้นในชาตินี้เลยกรรมบางอย่างต้องข้ามภข้ามชาตนะิอันนี้คือเงื่อนไขเวลาแล้วก็กรรมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ทําไมพ่อครูไปเบิดระเบิดที่อเมริกาเราอยู่เมืองไทยเราเจอพุธที่นูน่นไม่มี <c oughs> มีบางคนเนี่ยไปปฏิบัติที่ศูนย์เนี่ยกลางวันนะก็นั่งเห็นเลยเขาก็เดินเข้าไปในป่าละมอไปดูอะไรรู้ั้ยไปดูหลุมฟังศพที่เ็าเคยฟังที่นวน <c oughs> ทุก <c oughs> อย่างไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยนะมันจิตเรามันบันทึกไว้แล้วเนาะ ก็ผู้เจ้าทังสอนว่าต้องทำดีนะละชั่วนะนะอย่าลืมนะต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสที่มันไม่ผ่องใสเนี่ยนอกจากมันมีกิเลสตัณหาอุปทานแล้วเนี่ยมันยังมีโปรแกรมกรรมอยู่ในนั้นนั่นแหละท่านถึงส่งครับผมก็ต้องเข้าไปในจิตในจิตไปเสดธรรมในธรรมรรมาลงนั้นนะ่ะมันก็คือพวกทั้งกรรมดีกรรมชั่วทั้งฝ่ายกุศลและกุศล ไ ม, ไม่ใช่ว่ามัวจะฝึกสมาธิเจริญสติเนี่ยนะนี่กรรมเก่าเลยไม่แย่แสนไม่ได้แต่เราจ่ายกําไม่หมดหรอกมันสร้างมาหลายแสนกับหลายล้านล้านชาแต่เราลดมันเราลดมันเราเพิ่มกุศลตรงนี้ด้านกุศลมากกว่าคำว่าตัดกรรมแตไม่ใช่กรรมหมดนะ มันยังไล่บี้เราอยู่แต่ว่ามันกระทบมันไม่กระเทือนจนวันไหนที่เราละสังขารไปแล้วเราต้องไม่มีไม่มีมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนั่นคือปลอดภัยแล้วทุกคนทําได้เนื่องจากเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะเราทํามาหลายชาติแล้วเราทํามาหลายชาติแล้วเมื่อกี้เขาส่งสัญญาณเนาะก็ไปห้องน้ําปุ๊บแล้วก็มาปฏิบัติอะไร อ๋อจิตในจิตเนาะชั่วโมงนี้เอาเอ า, เ อ, าอย่เลยนะบอกว่าหมดแล้วอ๋อจิตในจิตเนาะเอาละเป็นชั่วโมงสุดท้ายเข้าไปในจินตอนนตอนนี้ตอนนี้อย่าดึงนะเ <c oughs> ต็มที่เลยนะเ <c oughs> ข้าไปเลย <c oughs> พวกกูอยู่นี่ไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> ทำเต็มที่อย่าปล่อยโอกาสเอ่นะก็ไปดีไปห้องน้ำ